เขบอกว่าอะไรนะเหมือนกับคนที่ไม่ทํางานทําการอะไรเลยนะรอเครื่องรอเนี่นะรอเรือลําใหม่จะได้ไปกับเขาด้วยที่ไหนได้ไม่มีค่าเรืออะไรสักนิดเดียวนะจะไปได้ยังไงแล้วก็พยายามเจริญกุศลมาให้เพียงพอแต่ก็สมัยใหม่ก็มงคลตื่นข่าวเชื่อว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะก็ถูกหลอกไปเยอะเนี่ยนะก็หมดไปคนละหลายหลายตังค์เหมือนกัน แต่แต่ว่าในในเมืองกรุงก็มีเป็นย่อมๆ่านะแต่ว่าชนนบทเนี่ยแพร่ระบาดไม่ใช่น้อยนะต่อไปว่าวิบากแห่งทูตจริตสจักเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่ารักน่าพอใจฐานะนี้ย่อมไม่มีวิบากแห่งทูตจริตสจักเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่ารักไม่น่าพอใจฐานะนี้มีอยู่นะ ถ้าปลูกตําแยมจะออกมาลูกเป็นมะม่วงไหมไม่เป็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าปลูกตําแยมเมื่อไหร่มันยังไงมันก็ไม่ออกมาเป็นมะม่วงไม่ออกมาเป็นมะพร้าวขนุนน้อยหนาลําไยพุทราเป็นต้นเนี่ยนะไม่เป็นเพราะอะไรเพราะพืชมันไม่ดีฉันใดเจตนาเร็วๆเจตนาที่เป็นบาปเจตนาที่เป็นอกุศลที่จะให้ผลน่ารักใคร่หน้าพอใจไม่มีแต่คนพ่านทั้งหลายมันก่อนว่าไงนะี่อยากจะไปสวรรค์พไพร่ไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้นะ คนผ่านนี่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองทำชั่วแล้วจะได้ไปสุขติโลกสวรรค์จะได้พบประสบพบเจอในสิ่งแต่สิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นยอมฆ่าสัตว์เป็นต้นเพื่อบวงสวงเทพพยายดาอะไร ย, ยอมจะทำบาปอากุศลเพื่อตัวเองจะได้ประสบสิ่งที่น่าปรารถนาการประสบสิ่งที่น่าปรารถนาเกิดจากผลแห่งบุญไม่ได้เกิดจากความชั่วพันกบอกว่าดีชั่วเนี่ยนะ ก็วิบากที่น่าปรารถนาเกิดจากผลแห่งความดีวิบากที่ไม่น่าปรารถนาเกิดจากผลแห่งความชั่วเพราะฉะนั้นวิบากแห่งสุจริตจักเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจฐานะนี้ย่อมไม่มีวิบากแห่งสุจริตสามจักเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาะน่าใคร่น่าพอใจฐานะนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นความดีทางกายวาจาใจอย่างไรก็ให้ผลเป็นความสุขเหมือนอย่างว่า ถ้าเพราะมะพร้าวก็จะออกลูกมาเป็นมะพร้าวแต่อย่าปลูกให้มันเน่าซะก่อนก็นแล้วกันนะนะปลูกให้มันสมเหตุสมผลอ่ะนะปลูกขนุนมันก็จะออกลูกมาเป็นขนุนปลูกน้อยนาก็จะออกลูกมาเป็นน้อยนาแต่ก็ไม่ใช่ไปตัดต่อพันอ่ะนะเนี่พูดถึงว่าโดยธรรมดาทั่วไปถ้าปลูกพืชเช่นใดก็จะได้ผลเช่นนั้นถ้าปลูกความเลวลงในจิตใจวิบากที่ประสบพบต่อไปก็เป็น สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาะถ้าปลูกฝังคุณงามความดีลงในจิตใจนะวิบากต่อไปก็จะพบแต่สิ่งที่น่าปรารถนาะแต่บางคนไปเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองทำชั่วแล้วประสบความเจริญพวกนี้ก็คือทำความชั่วเพื่อจะดึงเอาบุญในอนาคตตัวเองมาใช้เช่นว่าโกงแล้วประสบความสำเร็จร่ารวยพวกนี้ก็คือดึงเอาบุญของตัวเองในอนาคตมาใช้ นะค่าสัตว์แล้วร่ํารวยอันนี้ก็ดึงอาบุญตัวเองในอนาคตมาใช้เพราะการทําอกุศลโดยประการต่างๆแล้วมั่งมีทรัพย์สิ่งเหล่านี้คือไปเอาบุญของตัวเองในอนาคตมาใช้ย่อมว่าดีไหมเนี่ยนะก็ถ้าถามว่าถ้าใช้บุญเหล่านี้หมดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจะเอาบาปไปเก็บไว้ไหนเนี่ยนะเพราะบาปจะให้ผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะถ้าเราจะทําความชั่วนหนึ่งทีเนี่ยนะ คิดไวเลยว่าเราจ่ายแพงแค่ไหนเตรียมหมดทรัพย์หมดสินหมดแก้วแวนเงินทองหมดบ้านช่องหมดเรือสวนไร่นามหมดบุตรหมดภรรยาแล้วก็เตรียมภาชนะไว้รองรับน้ําตาเตรียมภาชนะไว้รองเลือดแล้วก็เตรียมตากแดดสัก40กว่าองศาลองลองดูนะเพื่อจะได้ไปทนในนรกหมื่นกว่าองศาได้สักสองหมืนองศาได้เนี่ยที่อินเดียเนี่ยนะแค่40กว่าองศาเท่านั้นอ่ะตายไปพันกว่าแล้วแล้วที่เกือบตายจะเท่าไหร่ดี นดีไม่ใช่รับที่ไปไหว้พระคนละรัฐกัน <c oughs> ตายไปพันสองกว่าแล้วเพราะเจอความร้อนเข้าไปแม้เจอสี่ห้าสิบองศา ท, ทำเป็นทนไม่ได้ตายเลยนะแต่เป็นหมื่นองศา น, นี่ทนได้นะทนเป็นหลายล้านปีด้วยนะเป็นล้านปีด้วยแล้วก็ยังไงยังไงก็ต้องเจริญบุญให้มันดีๆไว้นะเพราะว่าวาิบากแห่งความชั่วเนี่ยนะมันมันเจ็บแสบมันเผ็ดร้อนทีนี้เราไปคิดว่าเออช่างมันเถอะแล้วก็แล้วกันไป มันแล้วไม่ล่ะในโลกนี้ที่มันแล้วแล้วกันไปเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่บอกว่าใจของเราคิดว่ามันแล้วแต่มันไม่ยอมแล้วหรอกบาปที่เราทําไว้แล้วเนี่ยนะใช่บาปมันทําแล้วแต่วิบากยังไม่มีแล้วแปลว่าวิบากจากเกิดแล้วเพราะยงนั้นหลักการเขามีอยู่นี้ว่าความกรรมที่ทําสําเร็จไปแล้ววิบากได้มีแล้ววิบากกําลังมีแล้วและวิบากจากมีต่อไปข้างหน้าเขาแบ่งเลยวราทำกรรมที่ทำหนึ่งครั้ง สมมติว่าอดีตรเราทำกรรมมาแล้วกรรมเหล่านั้นที่ทำไว้แล้วเนี่ยนะะเดี๋ยวอะไรนะวิบากที่ทำไปแล้วบางอย่างมันให้ผลแล้วบางอย่างกำลังให้ผลบางอย่างจะให้ผลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยทำดีแล้วได้ชั่วทำชั่วแล้วได้ดีเนี่ยนะก็ก็คือเนื่องจากแยกแยกอะไรไม่ออกเนี่ยนะ แยกแยกอะไรไม่ออกเพราะแยกไม่ออกก็เลยนึกว่าความชั่วให้ผลเป็นความสุขความดีให้ผลเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าบอกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่คนผ่านทั้งหลายโง่เขลาเบาปัญญาเดียนะก็พวกนี้เขามีอยู่เรื่องหนึ่งนไอ้ความโง่เขลาในสมัยพุทธการก่อนพุทธการเขามีอยู่เรื่องหนึ่งมีวันหนึ่งหญิงโสเพณีเนี่ยไม่รู้ไปทาอะไรผิดใจพระราชาเขาถอดออกจากตาแหน่ง คือคือสโสเภณีโบราณเนี่ยนะมีตำแหน่งเลยนะตำแหน่งร่ำรวยเป็นเป็ น, เ, ปนเรียกว่าเป็นระดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ท, ที่ที่รายได้สูงมากเลยสมัยโน้นนะเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้ไปทําอะไรพระราชาโกรธสั่งปลดจากตําแหน่งที่นี่นางก็เลยง่นงานง่นงานโอ้ยทําอะไรไม่ถูกวังวังก็เลยไปเที่ยวในสวนอุทยานไปเห็นฤาษีคนหนึ่งเนี่ยนะหนวดเครารกกรุงรังเป็นฤาษีที่มีอภินญาห้าสมาบัติ8 นะเป็นรีสีที่มีฤทธิ์มากเลยเสร็จแล้วก็ไปเคี่ยวไม้สีฟันหมายคือว่าแปลงฟันแปลงไปแปลงไม้จะล้างซวยยังไงดีก็เลยถมน้ํำลายรถใสรีสีเนี่ยนะขากขี่ฟันขากอะไรรถใส่รีสีทั้งหมดพอดีพระราชานึกได้เออนนางก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยก็เลยเอามาแต่งตั้งไว้ในตําแหน่งเดิมเนะสร็จแล้ววันหนึ่งปุโรหิตไปทําผิดบ้างพระราชาสั่งปลดอีก ก็ไปถามโสเพนีว่านี่เธอไปทําอะไรมาเธอจึงได้ตําแหน่งคืนก็มีฤาษีอยู่หนึ่งนะฤาษีอยู่โนอในสวนนั่นนะะถ้าหากว่าท่านไปทําอย่างที่ฉันทํานะไปแปลงฟันถมน้ําลายขากนะอะไรอะไรก็ใส่ลงไปเธอพวกขยะมูลฝอยของไม่ดีเทใส่ลงไปในฤาษีเดียวท่านจะได้ตําแหน่งคืนปุโรหิตก็เชื่อเออใช่ใช่ก็เลยไปทําตามพักหนึ่งพระราชาก็เรียกคืนไปแต่งตั้งตามคืนเออแสดงว่าใช่ รือสีเนี่ยมันแก้ล้างได้จริงๆทัก็เลยทุกคนก็เลยไปช่วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งศึกเรียกว่าศึกค่าศึกจากเมืองอื่นนี่มายกทหารมาใหญ่โตเลยก็มีการปรึกษากันว่าทำยังไงดีหญิงโสเพณีก็สอนบอกทำอย่างนี้สิก็ให้ทั้งกองทัพใครที่จะไปรบทับจับศึกเนี่ยนะแปรงปากบ้วนฟันบ้วนน้ำลายบ้วนน้ำมากอะไรทั้งหมดไปผมใส่รือีให้หมดเลยกองทัพก็เชื่อนะ นะก็เชื่อทีนี้ก็ยกกองทัพไปไปรบอ่ะนะชนะมาอีกโอ้โหไปรบทัพชนะมาเลยพอรบทัพชนะมาเนี่ยเขาบอกโอ้ยฤษีคนนี้แสดงว่าจังไรแสดงว่าเป็นตัวเลวร้ายมากเพราะฉะนั้นถ้าใครไปถมไปขากอะไรใส่เนี่ยนะจะทําให้เราโชคดีเสร็จแล้วมีเสนาบดีคนหนึ่งนับถือพระฤษีคนนี้มากก็เลยไปไปได้ข่าฤษีเนี่ยมีกองไม้สีฟันเนี่ยไปท่วมอ่ะนะ ไม้สีฟันก็คือไม้เป็นไม้ถ้าไปอินเดียคงเห็นนะนะเป็นไม้ท่อนๆเ ท, ท่านิ้วมือเนี่ยยาวสักครบนึงอะ่ะเขาจะมาเคียเค้ยวเคี้วเคยวเคี้ยวแล้วก็พ่นใส่หรือสีเนี่ยเสยนาบดีก็เลยไปแหวกแหวกบอกเขาไปไปอาบน้ําให้ไปเช็ดให้อะไรให้อย่างดีบอกอาจารย์นะนะช่วยอดทษให้ชนเหล่านี้ด้วยเถอะอาจารย์อย่าอย่าไปโกรธเขานะก็บอกว่าอาตมาไม่ได้คิดอะไรร้องขอให้ทุกคนมีความสุขเถอะแต่ว่าตอนเนี้เทวดาเขาคิดกันอยู่สองพวกว่าเทวดาเขาจะทํำยังไงดี เขาบอกว่าพวกหนึ่งเขาบอกว่าคือจะพลันยังไงให้มันหมดทีเดียวทั้งเมืองนะถ้าหากว่าพระราชาเป็นต้นไม่มาขอโทษฤษีเพราะนั้นเสนาบดีก็เรียไปบอกให้พระราชาเนี่ยมาขอโทษฤษีพระราชาก็บอกเห็นไหมฤษีคนนั้นเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยนะเพราะเราไปรบทับจับศึกชนะมาก็เพราะว่าทํากับฤษีอย่างนั้นจะไปให้ไปขอโทษคนเลวอย่างนั้นได้ยังไงเสนาบดีก็เข้ามาหาว่าฤษีก็บอกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่า ให้ท่านขนย้ายของออกจากในเขตบ้านเมืองนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ภายในเจ็วันนี้จะอันตรธานนะเมืองเมืองนี้จะอันตรธานเนะก็เลยมีขนย้ายนั้นะคนที่ไม่ได้มาร่วมทาความชั่วพวกสัตว์เลี้ยงอ่พวกคนที่มีศีลเนี่ยนะทำให้เราร้อนมีเหตุต้องไปธุระที่อื่นหมดนะก็มีการขนย้ายชนจำนวนหนึ่งออกหลังจากนั้นมาฝนเงินฝนทองก็ตกลงมา บอ๊ยดีใจใหญ่เลยโอ๊ยโชคดีเหลือเกินเนี่ยนะเพราะทํากับฤาษีเลยเนี่ยเห็นไหมฝนเงินฝนทองตกลงมาอีกสักพักหนึ่งฝนฝนหอกฝนดาบเป็นต้นก็ตกลงมาอีกพักหนึ่งฝนก้อนหินก็ตกลงมาเสร็จแล้วก็ฝนฝนทรายเนี่ยนะฝนทรายก็มาท่วมกลบที่นั้นก็กลายเป็นคล้ายๆกับทะเลทรายหลังจากนั้นก็เริ่มมีต้นไม้งอกขึ้นเรียกว่าเป็นป่าอีกป่าหนึ่งขึ้นมาเป็นป่าที่เคยกลบบ้านกลบเมืองมาเนี่ยนะ แต่ถ้าลักษณะฝนทรายเนี่ยนะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างบางประเทศใช่ไหมว่าพายุทะเลทรายมันหอบเอาทรายมาถมเนี่ยนะ ก, ก, ก็อย่างนั้นก็มีอยู่ถ้าฝนอาวุธเนี่ยสมัยใหม่สงครามไฮเทคเนี่ยเห็นง่ายดีนะลูกระเบิดตกวันไปหมดเลยันแต่บางคนนี่เข้าใจผิดจริงๆคิดว่าฆ่าสัตว์แล้วตัวเองจัดเจริญบางคนคิดแล้วว่าโกงแล้วก็จัดเจริญทำผิดศีลเช่นทำผิดกาเมเป็นต้นแล้วตัวเองจัก เจริญเนี่ยนะไปผิดการเมได้เท่านั้นคนเท่านี้คนแล้วตัวเองจะประสบความเจริญถ้าไปมุสาวาตรงนั้นแล้วจัดเจริญดื่มเหล้าแบบนั้นแล้วจะประสบความเจริญเป็นต้นก็ถือว่าถือในสิ่งที่เลวร้ายว่าเป็นความดีเป็นต้นมันคนที่ไม่เข้าใจก็จะถือว่าความเลวร้ายเป็นเหตุแห่งความดีเข้าใจความดีว่าเป็นเหตุแห่งความเลวร้ายเนี่ยนะ ข้อต่อไปว่าสมณะหรือพรามผู้โกโหกหลอกลวงทมนิมิต ด, ด้วยอาการเรียบเคียงเป็นต้นคนใดคนหนึ่งกระทำความเป็นผู้โกโหกหลอกลวงทมนิมิต ด, ด้วยอาการเรียบเคียงให้ออกหน้ า, านะก็คือแปลว่าศีลไม่ดนะีตั้งอยู่ในมิจฉาอาชีพไม่ละนิวรที่ทำจิตให้เศร้าหมองนิวรเป็นตัวที่ทำให้ปัญญานี่อ่อนกำลัง ขณะเดียวกันก็ไม่ตั้งสติเอาไว้ในสติประฐานสี่ไม่เจริญโพชงจากบรรลุอรหัตตมัคคยานและสัพพัญยุตยานอันยอดเยี่ยมฐานะนี้ย่อมไม่มีส่วนสมณะหรือพรามผู้ปราศจากโทษทั้งปวงเนี่ยนะก็คือตั้งอยู่ในกุศลศีลเป็นอย่างดีตั้งอยู่ในสัมมาอาชีวะละนิวรัทั้งห้า ที่ทําจิตให้เศร้าหมองทําปัญญาให้อ่อนกําลังลงแล้วตั้งสติเอาไว้ในสติปัฏฐานสี่เจริญโพชชงเจ็จากบรรลุอรหัตตมรรคยานและสัพพัญญุตยานอันโยอดเยี่ยมฐานะนี้มีอยู่ก็ <S <S บอกว่าผู้ใดก็ตามเนี่ยนะที่ที่ทำลักษณะนี้เช่นว่าตั้งอยู่ในมิจฉาอาชีพอันนะโกหกหลอกลวงทํานิมิตโบยไบเป็นต้นเนี่ยนะที่เรียกว่าทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามสิ่งที่พระพุทธเจ้าตําหนิ ไม่ตั้งอยู่ในกุศลศีลเมื่อไม่ตั้งอยู่ในศีล น, นิวรณก็กลุ้มรุมก็เขามีสูตรอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าสุจริตสามไม่ดีอะไรจะเจริญ น, นิวรณ์ห้าก็จเจริญถ้านิวรณ์ห้าจเจริญอวิชาก็จเจริญถ้าวิชาจเจริญภาวะตันหาเป็นต้นก็จเจริญวัตตะก็ยาวตรงกันข้ามถ้าหากว่าผู้นั้นตั้งอยู่ในกุศลศีลชำระจิตให้หมดจดจากนิวรด้วย ประถมแชานเป็นต้นตั้งสติเอาไว้มั่นในสติปฐานสี่เจริญโพชงเจ็ดจักกะทําให้แจ้งอรหัตตมรคยานสัพพัญยุตยานอันยอดเยี่ยมตรงนี้พระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้นะที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ปราศจากโทษทั้งปวงคือละความคดทางกายวาจาและใจนิวรณ์ทั้งห้าไม่กลุ่มรุมพระองค์เจริญสติปฐานสติปทานตรงนี้เป็นชื่อของวิปัสนาหมายถึงวิปัสนาอบรมโพชงเจ็ดคืออริยมร พระองค์เจริญสติปัฏฐานเจริญโพชงจนอารยมรรคเกิดขึ้นบรรลุพระสัพพัญยูนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นละนิวรหา้าที่ทําใจให้เศร้าหมองทําปัญญาให้อ่อนกําลังลงหรือทำทำปัญญาให้ทุรพลเนี่ยนะทุรพลแปลว่าพิการนีวร่วอลเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ปัญญาพิการใครอยากพิการทางปัญญาเนี่ยนะโกรธสิ นะโกรสักพักเดียวแค่ น, นะนะั้นพิการทางปัญญาเลย ท, ทันทีเพราะนั้นเขบอกว่านิวร์เป็นตัวให้ทํำให้ทุรพลแปลว่าทําให้ปัญญาพิการถ้าปัญญาพิการจะเจริญสติปัญฐานได้ไหมไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นนิวรณ์เป็นตัวที่ทําให้ปัญญาพิการมันถ้าผู้ใดละนิวรณ์ที่เป็นเหตุให้ปัญญาพิการตั้งสติเอาไว้ในสติปัญฐาสี่เจริญโพชชงเจตจากบรรลุอรหัตตมรรคบรรลุสัพพัญญุตยานข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ในข้อนี้ยามที่เป็นไปโดยเหตุโดยขณะที่พิจารณาโดยไม่มีขอบเขตอันนี้เรียกว่ากําลังของพระตถาคตข้อที่หนึ่งเรียกว่ายานที่รู้ฐานะและอฐานะฐานาฐานยานฐานะนี้แปลว่าเหตุอัฐนาแปลว่าไม่ใช่เหตุปฏิเสธเหตุก็คืออะไรเป็นเหตุแห่งเหตุแห่งอะไรบ้างอะไรเป็นฐานะที่มีได้อะไรไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้พระพุทธเจ้านี้รู้ทั้งฐานะและ สถานะรู้อย่างไม่มีขอบเขต จ, จํากัดรู้พร้อมที่จะรู้เมื่อไหร่ก็รู้ได้ทันทีพระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมเช่นนี้พระพุทธเจ้าผู้รู้ขนาดนี้อย่างนี้ไม่หลอกลวงสาวกหรอกอนะพระองค์จึงไม่หลอกลวงสาวกทั้งหลายด้วยโอวาทผันสาวกใดก็ตามที่ปฏิบัติอยู่ในคําสอนของพระองค์ปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเจริญตามที่พระพุทธเจ้าสอน กระทำตามโอวาทนี้ที่จะไม่บรรลุมรรคผลจะไม่ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีหรอกเนี่ยนะก็ขอให้เรามีศรัทธา ม, มั่นคงในพระพุทธเจ้าถ้ามีศรัทธาที่มั่นคงในพระองค์อย่างนั้นเราก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อัน น, นัอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะแต่ว่าขอศรัทธาของเราอย่าได้เปลี่ยนจากพระพุทธเจ้าเพรา ะ, ะถ้าเราจะก็เนี่ยก็มาคุยกันใหม่ว่าคนเนี่ยนะเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้า อา้าวเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าบอกเชื่อเลื่อมใสที่จะเจริญพุทธทานุสติไหมที่จะคิดถึงให้ใจผ่องใสกับพระพุทธเจ้าให้บ่อยให้มากให้นานๆเยอะๆเลื่อมใสยอย่างนั้นไหมไม่อ่นะแต่แต่หลายคนที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ต้องเลื่อมใสต้องเจริญสิทำไมจะไม่เจริญได้ยังไงโยมก็บอกว่าเนี่ยเขาเจริญพุทธานุสติวันละสองชั่วโมงเขาบอกงั้นเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงอะไอย่างนัง ก็ดีแล้วไอ้ไอ้คิดได้ว่าช่องว่างในระหว่างวันนี่อีต่างหาก น, นะถ้าเท่าสุดแท้แต่จะนึกได้ น, นะมันนึกได้เมืม่อไหร่ก็พยายามให้ใจเป็นไปกับพระพุทธเจ้าบ่อยๆ บ, บ, บางคนก็บอกถ้ามัวแต่นึกถึงพระพุทธเจ้าก็เสียงานหมดอสิอย่ามาเสียงานไหมถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเสียงานเนี่ยมันอะไรในโลกนี้นจะเลวร้ายขนาดนั้นไม่มีอีกแล้วสแสดงว่า ง, งานอันนั้นเนี่ยสแสดงว่า ง, งานนั้นเลวมากถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเสียงานสแสดงว่า ง, งานนั้นเป็นงานที่ทําด้วย จริตกรรมเนั้นมันเสียมันดีแล้วนะเสียความชั่วทางกายไปเยอะเนี่ยนะลดบาปไปเยอะลดมิจฉาอะไรนะมิจฉาขมันตามิจฉาอาชีวะไปได้สแสดงว่ามันดีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นท่านานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะนึกถึงพระพุทธเจ้ากลับเห็นหน้าพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันไหมก็คือผู้ใดเห็นคุณของพระองค์หมายก็ว่าในทุกที่ทุกสถานทุกเหตุการณ์ถ้าเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีอรหันตคุณเป็นต้น เมื่อใดเนาที่จะอิติพิโสในชีวิตจริงบ้างะนะหมครับว่าไม่ใช่สวด น, นะแต่ความเข้าใจในพุทธคุณในชีวิตที่เป็นจริงอย่างนอ้อยเห็นพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าในที่ทุกหนทุกแห่งถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ขยายจากคุณสามนี่แหละให้เป็นพุทธคุณเก้าขยายจากพุทธคุณโดยไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเจริญได้ตามนั้นศรัทธาในพระพุทธเจ้าของเราก็จะ มัน่นคงยิ่งขึ้นไปท่านเห็นอะไรก็ใจก็ไม่เปลี่ยนจากการคิดถึงพระพุทธเจ้าท้าอริยะบางท่านท่านบอกว่าท่านห่างพระพุทธเจ้าเพียงแต่กายรอกนะท่านท่านห่างมาเพียงแต่กายแต่ใจของท่านนั้นน้อมไปหาพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท้าอริยะเหล่านั้นท่านจึงทําที่สุดแห่งทุกข์ก็บอกว่าในโลกนี้ใครควรค่าแก่จะเอาใจของเราคิดถึงได้มั้งเอา มานึกถึงใครที่สุดเนี่ยนะหรือว่าช่างมันแช่งใจให้มันเดือดร้อนเยอะๆไปคิดถึงคนเลวสิคนนั้นเขาไม่เลวเขาเลวอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้เราต้องคิดถึงให้เขาเยอะๆอนะเป็น เ, เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองในชะ่ไหมพวกนี้ชอบประทุษร้ายตัวเองประทิษร้ายทางความคิดแต่นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วพ้นทุกข์กลับอนะ อันนี้ที่จริงดีที่สุดแล้วในโลกนี้ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์บุคคลใดที่จะเลิดเท่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอย่างน้อยที่สุดไออย่างที่เราพอนึกออกตอนนี้ก็คืออะไรพระองค์รู้อะไรเป็นฐานะและอะฐานะอะไรเป็นเหตุและอะไรไม่ใช่เหตุเป็นต้นถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญารู้ฐานะอะฐานะ รู้อะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุอะไรเป็นปัจจยัยอะไรไม่ใช่ปัจจยัยอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นต้นสิ่งที่เราทํายิ่งมีคุณภาพพระพุทธเจ้าไม่สอนให้สาวกของพระองค์เดือดร้อนในโลกนี้เดือดร้อนในโลกหน้าและเดือดร้อนในโลก เ, เดือดร้อนในห ล, ล, ลายๆภพชาติต่อๆไปรอกผู้ใดที่จะกรุณาสัตว์อยากจะปลดเปลื้องให้สัตว์พ้นจากทุกข์เท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีใจเป็นไปกับพระพุทธเจ้าได้บ่อยได้มาก ไม่นานเราก็จะพ้นไปจากทุกเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทุกคือบาปอากุศลที่มันเล่นงานในจิตใจตอนนั้นก็ลดออกไปสิ่งที่เราทำก็จะเป็นไปกับบุญและกุศลในช่วงบ่ายนี้ช่วงบ่ายนี้ขณะนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนนะนะเจนานแล้วค่อยต่อ